อย่าตั้งความปรารถนาอะไรไว้จากกระบวนการอันนี้ครับมันจะพาไปเองเป็นศิลปะแห่งการกระทำซึ่งปราศจากหวังผลถห้คำนี้ช่วยจำไว้ น, นะครับไม่เพียงในคำสอนของพูะเจ้าเท่านั้นผู้รู้ครั้งคดีตก็สอนอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ภาษ า, าจีนก็มีคำหนึ่งว่าอู่ผุยแปล ว, ว่าทำทำต่ไม่ได้ทำอะไรคำนี้แปลแปลกมากครับ เมื่อเข้าถึงอู่หุยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นเราทําความจบสิ้นชีวิตของเราแต่ละวันหนึ่งชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งประกอบด้วยวันหนึ่งหนึ่งถ้าวันหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งเราทําดีที่สุดแล้วชีวิตหนึ่งเราจะดีเพราะว่ากําแพงเมืองจีนที่ยาวเหยน็นสร้างด้วยอิฐทีละก้อน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 เกิดจากการซัดสายไปหลายเรื่องเมื่อสะสมต่อไปมันเกิดเห็นรูปเห็นนามเห็นทัดใจลักขึ้นมาเห็นขันห้าที่แท้และก็ขันห้าที่มีปารทานครอบนำคือถ้าพูดโดยย่อคือเห็นความคิดคเห็นความคิดวูบความคิดปรุงแต่งออกไปและเห็นสภาพนอกความคิดได้เมื่อเห็นอย่างนี้ก็เป็นปัญญาครับถ้าเรียกว่าธรรมมาจากสุขมันเป็นเช่นนั้นหน้าที่ของปัญญา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 เมื่อเรปลูกต้นสายแต่เราเข้าใจผิดเราไปเอาเม็ดกรวดมาปลูกลดน้ําสักห้าปีก็ไม่งอกเพราะาเข้าใจผิดแต่ถ้าเราไปเอาต้นสายมาลงดินและลดน้ําถ้าเม็ดมันยังมีชีวิตมีเชื้อชีวิตอยู่มันก็จะโตขึ้นในช่วงต้นเราต้องมาคบประงมครับปกป้องมันก่อนเพราะมันมียอดออกถ้ายอดมันแมลงกับมันก็แตกเป็นสองแง่งเมื่อแตกสองแง่งโตช้า เข้าจไหมครับก็เห็นไหมครับที่มผมในวัดนี้ผมเห็นต้นไม้หลายต้นถูกโค่นเมื่อสมัยทําไร่ดังนั้นจะเกิดมปนสองสองแง่งตั้งแต่ที่โคน่นี่ยเข้าใจไหมครับดังนั้นมันก็แย่งกันสองฝักสองฝายถ้าเรารักษายอดให้ดีนะครับมันก็โตขึ้นพอถึงระดับหนึ่งครับมันแตกพุ่มแล้วนี่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเข้าจไหมครับมันเป็นเองครับแล้วก็แผ่กิ่งก้านออกไปตาม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 ดังนั้นเราต้องตามซ้ําตามซ้ําอยู่ให้มันชํานานให้รู้สึกตัวได้ง่ายและไวคุ้นเคยสนิทสนมเหมือนกับว่าเราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราไปหาครั้งเดียวขนาด จ, จะจําหน้าเราไม่ได้ไปอีกไปอีกไปอีกจกนกระทั่งวันในสุดเห็นหน้าทั้งกันยิ้มทักก่อนเพราะว่าคุณหน้ากันดีเรียกว่าเราเข้าถึง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 ง่ายขึ้นครับเมื่อเราทําบ่อยเข้าเนี่ยพิงตะก้มลงมาดูใจเท่านั้นจะรู้สึกตัวทันทีเพราะว่ามันมีแล้วครับนอย่างนี้เรียกว่าความเข้าคล่องความง่ายดายความสนิทสนมความที่ทำได้อย่างฉับพลันทันได้นั้นต้องตามซ้ำบ่อยๆครับในสุดก็จะเกิดเป็นทางขึ้นเหมือนเราเดินผ่านป่านะี้ย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 ตัดเรื่องที่เอามาคิดแล้วมันไม่มีประโยชน์และฟุ้งซ่านออกสื้อผ้าหลายตัวมันมีปัญหาแม้ฉันจะเก็บก็เหม็นสาบก็เข้าไปก่อขวนให้เหลือเสื้อผ้าน้อยลงเฉพาะที่จะใช้มันจริงๆนอกนั้นแจกเป็นทางให้คนอื่นได้ใช้บ้างเมื่อทำนี้นะจะเกิดคุณก็คือความคล่องตัวคล่องใจเบาตัวเบากายเบาใจดังนั้นสติก็ยิ่งง่ายขึ้นอีกครับเข้าใจไหมครับ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 ในประเทศแลวต่างประเทศก็ดีเนี่ยทุกคนจะมีห้องของตัวซึ่งถึงเวลาก็กลับเข้าไปในห้องไปนั่งปฏิบัติตอนนอนก็นอนหลับสนิทตื่นง่ายอะไรเหล่านี้นะครับก ค, คิดว่าช่วงบ่ายนี้พูดตั้งชั่วโมงพอดีเราก็ปฏิบัติเลยเอาละครับนั่งแยกตัวห่างกับอย่านั่งติดกัน พยายามมองลูกตาเพื <laughs> someone, you know code, ่อนเดี๋ยวมันก็ยิ้มกลับมาเดี๋ยวก็ได้คุยกันอีกเคลื่อนตามถนัดใครอยากเคลื่อนแบบมุทาก็ได้เคลื่อนแบบตัดก็ได้การปฏิบัตินั้นมีมีอยู่สองลักษณะนะครับคือปฏิบัติแบบธรรมดาและปฏิบัติแบบอุกฤก อุกฤตแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอาเป็นเอาตายกันนิดเียแต่ปฏิบัติธรรมงดาก็คือเหมือนที่เราทำกันแล้วนะถ้าอุกฤกตจริงๆเนะียคือไม่มีช่องว่างเลยผมเคยเคยแนะนำให้คนปฏิบัติแบบอุกฤตจนกระทั่งผมต้องออกข้าวไปให้กินนะคือคื อ, คอทำทาไปเรื่อยๆติดต่อถึงเวลาแล้วไม่ต้องออกมากินข้าวแต่เว้นไว้ไปสวมผมเอาไปสวมมาให้ไม่ได้คื อ, คอต้องไปเอง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 คือรูปร่างเซเรนเดอร์ขึ้น <c oughs> คือดูสละสลวยขึ้นเพราะว่าตลอดเวลาขึ้นไหวใครอยากลดความอ้วนนะไม่ต้องกินยาหรือไม่ต้องอดอาหารนะง่ายนิดเดียวปฏิบัติแบบอุกฤษขึ้นไปสักเจ็ดวั น, นได้เรื่องคขมันที่เอวหายไเป็นกระบี่เลยวันนี้การปฏิบัติที่เราปฏิบัตินะฮะมันครึ่งครึจริงๆริงครึงคร่งๆึงเล่นเล่ น, นวันนี้เราทวีขึ้น ดีหมครับเราทวีขึ้นทวีคือปฏิบัติปฏิบัติเช่นนี้แล้วพอเลิกเราก็เดินจับความรู้สึกจนกระทังไปที่ที่พักเวลาอาบน้าก็จับความรู้สึกอยู่นะครับอาบเสร็จถูตัวก็ทาช้าๆครับถูช้าๆแล้ว ก, ก่อนจะนอนก็ปฏิบัติดีล้มตัวลงแล้วก็เคลื่อนมือ ให้หลับไปด้วยจิตดวงสุดท้ายซึ่งรู้สึกตัวซึ่งมันจะกําหนดให้ในขณะที่หลับมันจะไม่ไม่ฝันครับแล้วพอลืมตาตื่นคลิกมือทันทีครับเข้าใจไหมครับพอตื่นปั้มเนี่ยคว้าตัวนี้ก่อนจิตดวงแรกนี่สำคัญคพอตื่นมาหันไปดูเพื่อนตื่นเนี่ยอย่างนี้ ม, นมันมันมันออกนอกตัวครับวพอลืมตาตื่นปัามคลิกมือ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 ดันั้นถ้าเราสมรวมมาที่ตัวเองนะครับเราจะทำให้บรรยากาศทั้งหมดเป็นสุขแลวเราเลยพลอยเป็นสุขด้วยแต่ถ้าคนคนเดียวลุกขึ้นเตลระบำเพื่อนกับบางนั่งนี่มันบรรยากาศจะสูญเสียไปันทีงท <c oughs> นองเคลื่อนไหวเคลื่อนจะช้าหรือเร็วขึ้นก็ได้ครับแต่ให้มีจังหวะ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 แต่ก็ได้จังหวะจัโคนเหมือนเดิมถ้ารู้สึกจะไวเกินไปจนจบับความรู้สึกไม่ทันเลยก็ลดลงให้พอดีให้พอรู้สึกตัวได้ เช่นเดียวกันทั้งสิ้นแม้ผิวพัธุ์วั น, น่ะจะต่างกันก็ตามกายประกอบด้วยธาตุที่เป็นน้ำลมลไฟไฟในที่นี้หมายความอุ่นไออุ่นนี่เรียก ว, วัตถุธาตุที่ประกอบเป็นกายไม่ว่ากายนั้นจะอยู่ในน้ำสมุทรของพระจักรพรรดิ พระราชินีหรือขอทานก็ประกอบเหมือนกันในสุนัข ก, ก็เหมือนกันร่นางกายนี้มีกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเองคือมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องพอหิวไปแล้วก็ตายวันหนึ่งในร่างกายนี้จะล้มลงเราสิ้นหลมสิ้นใจญาติี่น้องก็เอาไปฝังไปเผาตามเรื่องตามหลย ธาน้ําที่อยู่ในร่างกายก็จะแตกแยกออกซึมแทรกไปนในดินธรว่าธาน้ําหมายถึงน้ําเหลืองน้ําลายที่เป็นของเหลวทาดไฟก็ลเลยนนี่เป็นเรื่องของกายส่วนเรื่องของจิตนั้นที่เรียกว่าวิญญาณบ้างจิตบ้างทุกคนก็มีวิญญาณเหมือนกัน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 เจ้าของมันโมโหใครมันตกหน้าเขาก็ได้แต่ว่ามือไม่เกีย่ยวมือมันอาจจะเจ็บด้วยซ้ามันร้อนแดงขึ้นมาเพราะว่าผู้ตกไม่ใช่มือเข้าใจไหมครับกายนี้ไม่ได้ทำร้ายใครจิตก็ไม่ได้ทำร้ายใครแต่ว่าเพาเกิดมืดมัวขึ้นมาเราเรียกสิ่งมืดมัวที่เข้ามากระทำให้กายและจิตผิดเพียเ้ยนไปนั้นเราเรียกสิ่งนั้นว่ากิเลสกิเลสแปลว่าสิ่งที่มืดมน มักจะแปลกันว่าเศร้าหมองมัวหมองดังนั้นกิเลสท่านเองที่เรียกว่าโรคทางจิตใจซึ่งเราต้องรักษามันเป็นโรคทางกายไปหาแพทย์คับหาหมอหรือรักษาตัวเองก็ได้จะเป็นยากลางบ้านสมุนไพรหรือยาคลินิกก็สุดแท้อันนี้มันก็หละเรื่องแต่โรคทางจิตใจนั้นไม่มีทางรักษาด้วยยาขนาดไหนยต้องไปหาธรรมะของพระพุทธเจ้ า, า, จาก็ใช่ครับ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 โฆสนาเหมือนเสมือนล้วเปิดประตูห้องที่อบชื้นให้แสงแดดส่องเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมมันจะทำรายเชื้อลาที่ที่แฝงอยู่จนตามหมดการทำความรู้สึกตัวเฝ้าดูจิต ด, ดูใจ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 ซึ่งปกติถ้ามันฟ้าที่ดีไม่ไม่ใช่ฟ้าที่เลวแต่พอมันมืดโมขึ้นมาเนี่มันไม่รู้สวรรค์ไม่รู้นรกครับไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์มันกําหนดผิดชอบช่วดีไมดังนั้นเราต้องทําลายรากเน่าของกิเลสครับกิเลสนั้นกิเลสตัณหานั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏมันมีรากของมันเหมือนผลไม้ที่มีพิษมันเนื่องจากไอ้รากของมันด้วยดังนั้นเราตัดรากมัน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 ห้องมืดห้องแล็บไม่ไม่ไม่มืดสิงงนั้นกลางคืนที่เดือนมืดนลยครับถ้าจิตใจเราสว่างแจ้งดีสบายดีเดินไปไหนสบายดีเที่ยงวันที่แดดจ้าจ้านจิตใจมืดขึ้นมาแลยุ่งนะครับเข้าใจไนะครับดังนั้นที่ที่มืดที่สุดเป็นที่เดียวที่ที่สว่างที่สุดก็คือที่ใจเรานั่นเองดังนั้นทำความรู้สึกก็ไปที่ใจนะครับ มผมพูดว่าที่ใจหมายถึงผ่านกันไปทางกายนี่แหละเข้าใจไหคคือรู้สึกที่ตัวนี้มันจะซึม ซ, ซ้อซึมขึ้นไฟจนถึงหัวใจเหมือนเราเทน้ำลงบนสายนะครับน้ก็สายก็ดูดน้ำซึมจนกระทั่งไปถึงเมื่อน้ำถูกเทลงมามันผ่านสายเปียกโชกถึงดินดานในสุดมันก็ไปถึงห่วงน้ำใหญ่ข้างล่างเข้าใจไหใต้ดินเนี้ยเต็มไปด้วยน้ำเข้าใจ ปริมาณน้ําที่มากมายนี่มันอยู่ข้างในครับที่เรานั่งอยู่ส่วนที่ตกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งนั่นเองแล้วน้ําก็กลับไปสู่น้ําฝนก็กลับไปสู่ทะเลเข้าใจไหมครับเมฆนี้ก็น้ำนั่นนี่ครับระอองน้ําเห็นมันตกกลับในมหาสมุทรเข้าใจไหมครับเห็นความรู้สึกตัวที่เรามีที่รู้สึกทางกายเนะี่ยมันจะดซึมลงไปแล้วมันก็ไปบรรจบกับน้ําข้างล่างวันนี้เราเรียกว่า รู้เห็ <S <S นเป็น <S <S ใจคือเราต้องรู้ตัวก่อนแล้วเราก็เห็นว่าตัวเนี่ยประกอบด้วยกายจิตอย่างนี้เรียกว่าเห็นในขณะที่กระพริบตามเห็นแล้วพอรู้เห็นแล้วมันจะเป็นมันจะเป็ น, น, ป น, นที่ใจครับดังนั้นจึงเกิดรู้เห็นเป็นใจขึ้นมาโดยศัพท์แล้วคำว่ารู้เห็นเป็นใจเนี่ยแปลว่าเข้าใจผู้อื่นใช่ไหมครับเจ้นคนอื่นเขาเจ็บป่วยไม่สบายเรา ถูกคนกันแกล้งเราเราเข้าใจทีเดียวเรารู้เห็นเป็นจใจเขาดีเขาไม่ดีท่านนแง่ร้ายก็คือรู้เห็นเป็นใจกันในแง่ร้า ย, ายในแง่ดีก็รู้เห็นเป็นใจครับเรียกว่าเมื่อรู้เห็นตอนรู้นี่ยังไม่เห็นครับเช่นเราความรู้มีหลายชั้นเช่นว่ารู้จําฟังพระสอนฟังมากๆเข้าเดี๋ยวจะจําได้เข้าใจมครับ จำได้อะไรเป็นอะไรรูปนามกายจิตจำได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันยังไม่รู้กับจริงๆมันยังไม่ได้เห็นอะไรเนี่เรารู้จํามันต่อเมื่อปฏิบัติเข้าตามที่รู้มันนั้นนี่ครับมันบันนี้มันรู้จักคือมันรู้จักว่าอะไรที่พูดถึงหมายถึงอะไรเข้าใจไหมครับเหมือนกับว่าเราดูสือพิมพ์เราจําหน้าคนเปนหนึ่งได้จริงๆเราไม่รู้จักแต่ก็จําจได้วันนี้ วันหลังไปถึงจะเอกครับคนนี้เองที่เราเห็นในนั่งจริงวันนี้เรารู้จักแล้วเข้าใจไหมครับคือมันมีของจริงจากความรู้จำถ้ามากนะครับฟุง้งฟุ้งนั้นเขาเรียวกว่า บ, บ้าธรรมะผมมาเจอคนบ้าธรรมะนี่เยอะเจอหน้าคนฟุ้งเรื่องธรรมะมันไม่รู้จักของจริงครับมันเลยบ้าธรรมะพูดธรรมะทั้งวัน คนรู้จักแล้วมันจึงเยี่ยมกับเพราะว่าพอรู้จักของจริงเนีมันต้องมีเรื่องไหไต้องพูดมากนะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดแต่ไปวัดแถงเทพที่เข า, าปาถุกบรรยายอภิปรายเนะี่ยผมเคยไปนั่งฟังนะฟังไปปรมากเบื่อครับมันบ้าคําพูดพูดกันทั้งทั้งวันอนะไรอย่างนี้เรื่องรู้จําแล้วอันตรายมากครับเพราะาคนที่รู้จําไม่มากแล้วกลายเป็นนักทฤษฎีลงเป็นนักทฤษฎีแล้วไม่อยากปฏิบัติ อย่างนี้เขาเรียกรู้มากยากนานคือรู้รู้จนกระทั่งอธิบายไปจนจบพระนิพพานเลยแต่ว่าจริงๆแล้วรูปนามยังไม่เห็นยังไม่รู้จักมันพระอาจารย์ครับแล่นไปถึงผลโดยไม่รู้จักมัคในพุทธศาสนาเรามีมัคผล น, นิพพานนะครับนิพพานไม่ใช่ผลนคับคือนิพพานมีอยู่แล้วส่วนมัคผลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องไต่ไปเข้าไปทางมัค บลุถึงผลเป็นลำดับส่วนนิพพานนี้ไม่เกี่ยวยเรื่องมรรคผลคือมันมีอยู่ก่อนหน้ามรรคผลอัจฟังลำบากผมจะ อ, อุกมาเนะอย่างนึกษาจะไปเดินทางไปโคราชก็จับรถไฟไปต่อที่ไหนก็ตามใจนะตามเรื่องทาเราแล้วก็ไปถึงโคราชโคราชไม่ได้ผลรองการไป ไม่ใช่พอเราไปถึงโคราชจึงเกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นโคราชมีก่อนเราไปเข้าใจไหมโคราชมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไปไม่ถึงหรือยังไม่ได้เห็ น, นจริงๆแต่มันมีอยู่เรียบร้อยแล้วเราก็อาศัยจับรถไปลําดับต่อไปถึงนั้นขึ้นคำ น, นั้นต่อไปจนกระทั่งการไปของเราเป็นการเปิดเผยถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วจริงไหมครับรไม่ใช่ว่าพอ ไปถึงโคลาดกับปลากฏขึ้นมา